บุ Book <96. S 1> ๊กทู96คำสันธานสามผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบคุณจะโทรมาเมื่อไหร่ ทันทีที่ผมมีเวลา як толькі буду мець хвілінку часу เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา Ён п i̇şte d т э л е ф e н a n як толькі ў яго з'явіцца крыху часу คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Yak duga v u b u е e е працаваць ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าวเขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านเทนดด่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบายเท่าที่ผมทราบเขาตกงานาผมนอนหลับเพลินมิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา ผมพลาดรถเมล์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลาผมหาทางไม่พบไม่งั้นผมก็จะตรงเวลาผมหาทางไม่พบไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา